วิปัสนูปกิเลสเมื่ออุทพยญาณอย่างอ่อนเริ่มปรากฏวิปัสนูปกิเลสคือสิ่งที่ทําให้วิปัสนาหม่นหมองสิบประการย่อมเกิดขึ้นดังคำพีวิสุทธิมักกล่าวถึงบุคคลผู้เกิดหรือไม่เกิดในวิปัสนูปกิเลสนี้ว่า 1. โดยแท้จริงแล้ววิปัสนูปกิเลสจะไม่เกิดขึ้นแก่พระอริยสาวกผู้บรรลุ ปฏิเวทแล้วผู้ปฏิบัติผิดผู้ละทิ้งกรรมฐานผู้เกียจคร้านสองแต่จะเกิดขึ้นแก่บุคคลกลุ่มผู้ปฏิบัติชอบภาคเพียรไม่ท้อถอยผู้เริ่มปรารบวิปัสนาแล้วเท่านั้นคำพีมหาดีกาวิสุทธิมักอธิบายเพิ่มเติมว่าคำว่าอริยะสาวกัสสะพระอริยสาวก เป็นํำนวนทางภาษาที่ระบุถึงสิ่งที่สูงสุดอกกัตทนยัยและยังมีความถึงผู้เจริญวิปั ส, สนาอย่างมีกําลังพลาวะววิปัสสกาอีกด้วยเพราะบุคคลเหล่านั้นไม่มีวิปัสโนปกิเลสดังนั้นผู้ที่บรรลุวิปัสนาญาณตั้งแต่นิพพิทายานเป็นต้นไปจึงปรากฏเป็นวิปัสโนปกิเลสเหล่านี้ พึงทราบวิปัสนุปกิเลตตามข้อความในคำพีปฏิสัมพิทามักว่าจิตของผู้ปฏิบัติธรรมย่อมวันไว้เพราะหนึ่งแสงสว่าง 2. ยาน 3. ปีติ 4. ปัสสิ 5. สุข 6. อธิโมค 7. ปัจคะหะ 8. อุปถา 9. อุเบกขาที่เกิดร่วมท้องกับวัชนนุเบกขาอันพิจารณาโดยสะดวก 1. นิ่นกันติความไม่พอใจวิปัสนูปกิเลสคือสิ่งที่ทำให้วิปัสนาหม่นหมองทำให้วิปัสนาเสื่อมไปเพราะผู้ปฏิบัติธรรมที่พบเห็นสิ่งเหล่านี้อาจสัมพันธ์ผิดคิดว่าแสงสว่างเป็นต้น คือพระนิพพานแล้วหยุดปฏิบัติหรือแม้จะไม่สำคัญผิดอย่างนั้นก็อาจยินดีพอใจส่งผลให้เจริญสติขาดช่วงและความก้าวหน้าลดลงแต่ถ้าผู้ปฏิบัติทำเข้าใจเป็นเพียงทางผ่านเหมือนป้ายบอกทางแล้วกำหนดรู้เห็นตามความเป็นจริงแสงสว่างเป็นต้นก็ไม่อาจ ทำให้วิปัสสนาเสื่อมไป 1. แสงสว่างแสงสว่างนี้อาจปรากฏด้วยอำนาจของสมาธิหรือวิปัสสนาญาณกล่าวคือผู้ที่เจริญสมถภาวนามีพุทธานุสติเป็นต้นหรือผู้ปฏิบัติวิปัสสนาในระดับวิปัสสนาญาณสามขั้นแรก ที่ยังไม่อาจรู้เห็นความเกิดดับอย่างรวดเร็วของรูปนามได้อาจพบเป็นแสงสว่างด้วยอำนาจของสมาธิดังเรื่องอนาธบินทิกะเศรษฐีดังต่อไปนี้ในสมัยพุทธกาลอนาธบินทิกะเศรษฐีเดินทางไปพำนักอยู่ที่บ้านของเศรษฐีเมืองราชคฤื้ได้ทราบข่าวว่าพระพุทธเจ้าทรงอุบัติขึ้นในโลก จึงตั้งใจจะไปในเวลาเช้าแล้วเข้านอนโดยรำลึกถึงพระพุทธคุณเป็นอารมณ์คืนนั้นท่านตื่นกลางดึกถึงสามครั้งและพบแสงสว่างที่เกิดขึ้นด้วยอำนาจของสมาธิในการเจริญพระพุทธคุณในครั้งสุดท้ายเมื่อตื่นท่านคิดว่าฟ้าสว่างแล้วจึงไม่หลับต่อและลุกจากที่นอนเพื่อจะออกไปเฝ้าพระพุทธเจ้าตามลาพัง เมื่อเดินถึงสุสานนอกเมืองระหว่างทางก็ได้สะดุดซากศพแล้วเกิดความกลัวคิดฟุง้งซ่านทำให้แสงสว่างหายไปเพราะกำลังของสมาธิลดลงท่านจึงคิดว่าจะกลับบ้านในขณะนั้นเทวดาผู้รักษาสุสานได้ให้กำลังใจแก่ท่านเป็นคาถาว่าช้างแสนเชือกม้าแสนตัว รถเทียมม้าอัสดรแสนคันหญิงสาวผู้สวมใส่ตังหูแก้วมณีแสนนางทั้งหมดนี้ไม่ควรค่าส่วนเที่ยวที่16ของท่านผู้ก้าวไปเพื่อเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเลยเมื่อได้รับกำลังใจจากเทวดาแล้วท่านก็นึกได้ว่ามีคนอื่นอยู่ในบริเวณนั้นไม่ใช่มีท่านเพียงคนเดียวจึงระลึกถึงพระพุทธคุณ ทำให้แสงสว่างปรากฏขึ้นอีกในที่สุดท่านก็ได้ไปถึงที่ประทับของพระพุทธเจ้าอย่างราบเรื่นเรื่องแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วหายไปถึงสามครั้งแล้วกลับปรากฏอีกด้วยอำนาจของสมาธิที่เจริญพระพุทธคุณเป็นอารมณ์นี้พบในอัธกถาของสังยุตตินิยเป็นต้นผู้ที่เจริญวิปัสสนาถึงขั้นบรรลุนามรูปปริเฉทยาน ระดับแก่กล้าแล้วย่อมเห็นแสงสว่างเพียงแวบได้บ้างผู้ที่บรรลุใจยะปริหายาณอาจเห็นสีแสงต่างๆเช่นสีเขียวแดงน้ำเงินเหลืองหรือเห็นแสงสว่างเหมือนไฟเนียงและผู้ที่บรรลุสมมสนายาณอาจเห็นแสงสว่างบ่อยขึ้นนอกจากนี้ก็ยังอาจเห็นนิมิตสันฐานต่างๆเช่นพระพุทธเจ้าพระอรหรันต ตามสมควรแก่สมาธิแสงสว่างและรูปร่างสันฐานเหล่านี้จะปรากฏด้วยอำนาจของสมาธิในระดับยานทั้งสามขั้นต้นแม้ในอุทพพย า, ยานที่มีกำลังน้อยก็อาจพบแสงสว่างได้ด้วยอำนาจของวิปัสสนานิมิตเป็นแสงสว่างหรือสันฐานที่พบในระดับยานต่างๆมีข้อแตกต่างกันดังนี้ นามรูปปริเฉ ท, ทยานเบื้องต้นและที่สุดของนิมิตไม่ปรากฏชัดเจนปัจจยะยปริฆหายานเบื้องต้นของนิมิตปรากฏชัดเจนแต่ที่สุดไม่ปรากฏชัดเจนโดยมากผู้ปฏิบัติธรรมมักตามกำหนดรู้นิมิตใหม่อยู่เสมอทำให้นิมิตเก่าหายไปเร็วสมัสนญาณเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดของนิมิตปรากฏชัดเจน โดยเกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่ชั่วขณะแล้วจึงค่อยๆหายไปอุทพยญาณความเกิดดับอย่างรวดเร็วของนิมิตปรากฏชัดเจนผู้ปฏิบัติธรรมเพียงกำหนดรู้ครั้งเดียวก็หายทันทีหรือเพียงรับรู้โดยไม่ได้บริกรรมก็หายไปไม่ย้ายที่หรือค่อยๆจางหายไปแต่เกิดขึ้นทันทีแล้วดับไปในที่นั้นทันที โดยปราศจากความตั้งอยู่ชั่วขณะนอกจากนั้นในยานขั้นแรกทั้งสามระดับอาจเกิดปีติที่รู้สึกอิ่มใจปะะัจสทธิที่รู้สึกสงบเหมือนอยู่คนเดียวในโลกสุขทางใจที่ไม่เคยพบมาก่อนและศรัท ธ, ธาเชื่อมั่นเลื่อมสายอย่างแรงกล้าด้วยอำนาจของสมาธิอีกด้วยผู้ที่สามารถเห็นประจักษความเกิดดับอย่างรวดเร็วของรูปนาม อาจเห็นแสงสว่างชั่วขณะหรือเห็นเป็นเวลานา น, านมีหลายลักษณะเช่นไฟฉายเล็กๆที่มาสองหน้าไฟหน้ารถขนาดใหญ่ที่มาสองหน้าดวงไฟกลมๆขนาดเท่าบาทแสงสว่างกลมๆหมุนเหมือนถาดแสงสว่างที่ส่องทั่วห้องสว่างสวยัยแสงสว่างที่เหมือนดวงจันทร์แสงสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ ในบางขณะแสงสว่างอาจปรากฏเป็นเวลานานแม้ผู้ปฏิบัติธรรมจะ ก, กำหนดรู้ก็ไม่หายไปบางขณะอาจรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่แผ่ซ่านออกมาจากร่างกายด้านข้างด้านบนหรือด้านล่างสิ่งที่อยู่ในรัศมีของแสงสว่างเป็นเวลากลางคืนก็ปรากฏชัดเหมือนเวลากลางวันในเวลากลางวันก็อาจพบแสงสว่างอย่างชัดเจนได้ ในบางขณะแสงสว่างนี้อาจทำให้พบเห็นสิ่งที่อยู่ไกลเกินสายตาหรือสิ่งที่ถูกปิดบังไว้มาปรากฏชัดอยู่ตรงหน้าการที่เห็นแสงสว่างเป็นต้นนี้ไม่ใช่เห็นด้วยตาเนื้อปกติแต่เป็นการเห็นเหมือนรับรู้ด้วยมโนวิญญาณจิตเช่นเดียวกับการเห็นด้วยตาทิพย์คือทิพยจักษุดังคำพีมหาดีกาของวิสุทธิมรรคกล่าวไว ประสบการณ์เช่นนี้เหมือนเห็นด้วยดวงตาปกติในสถานที่เห็นได้ขอผู้ปฏิบัติธรรมจงพิจารณาเรื่องนี้ในขณะเพียรปฏิบัติจนเมื่อปรากฏแสงสว่างขึ้นก็จะเข้าใจได้อย่างชัดเจนเองผู้ปรารภความเพียรเมื่อเห็นแสงสว่างแล้วอาจเข้าใจผิดว่าเป็นแสงสว่างที่เกิดจากการบรรลุมรรคผลนิพพาน ทำให้สําคัญว่าแสงสว่างคือพระนิพานหรือแม้จะไม่ได้สําคัญว่าเป็นคุณธรรมพิเศษก็อาจพอใจในแสงสว่างทําให้การเจริญสติกําหนดรู้ไม่ต่อเนื่องส่งผลให้รูปนามไม่ปรากฏชัดเจนเหมือนก่อนแสงสว่างจึงได้ชื่อว่าเป็นวิปสัสโนปกิเลสที่ทําให้วิปัสนาหม่นมองกล่าวโดยตรง คือกิเลสอันได้แก่ตัณหาความพอใจมานะความถือตัวและทิฏฐิความเห็นผิด 2. ยานยานคือการเห็นประจักรูปนามที่เกิดดับเร็วทางทวาร 6. เหมือนใช้มีดคมตัดลูกฟัก หรือหันมาเขือเทศให้ขาดในครั้งเดียวยานี้เป็นปัญญาที่รู้เห็นลักษณะของรูปนามอย่างชัดเจนและเข้าใจพระตไตรลักษณ์คือความไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนของรูปนามได้อีกด้วยโดยไม่ได้พิจารณาใกล้ครวญตามที่ได้ยินมาแต่เป็นการรู้เห็นโดยประจักษ์จากโลกัศน์ภายในกายของตนยานเนื้อนี้ อาจทำให้ผู้ปฏิบัติเข้าใจผิดว่าเป็นพระนิพพานหรือทำให้ยินดีพอใจส่งผลให้เจริญสติไม่ต่อเนื่องและรูปนามไม่ปรากฏชัดเจนจึงจัดเป็นวิปัสสนูปกิเลสแต่กล่าวโดยตรงแล้วคือกิเลสสมอย่างดังที่ได้แสดงมาแล้วแม้วิปัสสนูปกิเลส7อย่างที่เหลือก็เช่นเดียวกัน3ปิติ ปีติคือความอิ่มใจที่ปรากฏในขณะปฏิบัติธรรมจำแนกเป็นสีประเภทคือ 1. คุธกะกาปิติปิติเล็กน้อยคือความรู้สึกอิ่มใจโดยมีคนลุกทั่วร่างกายเนื้อหนังสัน่นน้ำตาไหลหรือรู้สึกสดชื่นเบาสบายปรากฏครั้งเดียวแล้วหายไป 2. คณิกาปิติปิติชั่วขณะ คือความอิ่มใจที่มีลักษณะคนลุกหลายครั้งต่อเนื่องเหมือนสายฟ้าแลบเกิดขึ้นบ่อยครั้งดังข้อความว่า 1. ปิติเกิดขึ้นภายในแก่ผู้แสดงธรรมผู้ฟังธรรมหรือผู้สอนธรรมย่อมยังความฟูใจให้เกิดขึ้นยังน้ำตาให้ไหลก่อให้เกิดคนลุก 2. ปิตินั้นธรรมที่สุดแห่งสังสารวัฏ มีอรหัตผลเป็นจุดมุ่งหมาย 3. ดังนั้นความยินดีในธรรมเช่นนั้นจึงยอดเยียบกว่าความยินดีทั้งหมดนั้นเที่ยว 1. ค่าแต่หน้าเคเสนผู้เจริญผู้ที่ต้องร้องไห้เพราะมารดาเสียชีวิตและผู้ที่ต้องร้องไห้เพราะปราโมทในธรรม 2. บุคคลทั้งสองที่ร้องไห้อยู่นั้น ต่างกันอย่างไรน้ำตาของใครเป็นยาของใครไม่เป็นยาขอรับ 3. ม, มหาปอพิษน้ำตาของคนแรกไม่สะอาดร้อนระอุ ด, ด้วยราคาและโทสะน้ำตาของอีกคนหนึ่งเย็นสะอาด 4. น้ำตาที่เย็นสะอาดเป็นยาน้ำตาที่ร้อนระอุไม่เป็นยา 3. โอกันติกาปีติ ปีติซึมซาบคือความอิ่มใจที่ปรากฏคล้ายกับคลื่นซัดเข้าหาฝั่งสมุดเกิดขึ้นเออล้นท่วมทับร่างกายแล้วหายไป 4. อุเพงคาปีติปีติโลดผลคือความอิ่มใจที่ทำให้ร่างกายทั้งหมดหรือบางส่วนลอยขึ้นในคำพีอัตถกถามีตัวอย่างที่ภิกษุรูปหนึ่งและสตรีนางหนึ่งในประเทศลังกา เกิดความเลื่อมใสโดยระลึกถึงพระเจดีแล้วลอยไปสู่พระเจดีด้วยอำนาจของอุปเพงคาปีติในปัจจุบันพบว่าบางท่านรู้สึกถึงร่างกายบางส่วนที่ลอยขึ้นหรือมือเท้าศรีรษะไหวไปเองบางท่านอาจลอยเหนือพื้นได้หนึ่งอกในขณะนั่งขัดสมาธิลักษณะดังกล่าวเกิดจากอุปเพงคาปีตินั่นเอง 5. ภรลนาปีติปีติซาบซ่านคือความอิ่มใจที่ปรากฏความเย็นห่อหุ้มใจไว้ทำให้เกิดความสบายทั่วร่างกายเหมือนลูกบอลที่พองลมเต็มที่ในขณะนั้นผู้ปฏิบัติธรรมจะต้องการอยู่นิ่งๆอย่างต่อเนื่องเพียงต้องการเสพรสของปีติอย่างสงบละเอียดจนกระทั่งไม่ต้องการแม้ จักระพิบตาหรือลืมตาดูสิ่งภายนอกปีติทั้งห้าประการนี้จเจริญเพิ่มพูนตามลำดับตั้งแต่อุทพยายานเป็นต้นไปแล้วปรากฏภารนาปีติอย่างเดียวในเมื่ออุทพยายานแก่กล้าเรื่องนี้มีกล่าวไว้ในคำพีมหาดีกาของวิสุทธิมัก ผู้มีปีติทั้งห้าอย่างแรงกล้าอาจรู้สึกเหมือนลืมสติไปชั่วขณะเช่นเดียวกับที่สุเมธดาบทอานาบินทิกะเศรษฐีและพระเจ้ามาหากับพินะรู้สึกลืมสติเมื่อได้ยินว่าพระพุทธเจ้าทรงอุบัติขึ้นแล้วแม้ในขณะปัจจุบันวิปัสสนาญาณระดับสูงตั้งแต่พังขยานเป็นต้นไปการลืมสติด้วยกาลังของปีติอาจปรากฏได้บ้าง หลังจากนั้นการกําหนดรู้ของผู้ปฏิบัติธรรมจะดีเหมือนเดิมหรือดีกว่าเดิมปิติดังกล่าวเป็นสิ่งที่มีกําลังอันปรากฏเมื่อวิปัสสนาญาณแก่กล้าแล้วการลืมสติในขณะปฏิบัติธรรมนอกจากนี้ยังอาจปรากฏด้วยอํานาจของธรรมอื่นๆคือปัสสธิความสงบโดยรู้สึกว่าลืมสติไป เมื่อมีความสงบปรากฏชัดเมื่อมีสติกลับมากำหนดอีกหรือสามารถกำหนดรู้ได้ดีเหมือนเดิมอุเบกขาความวางเฉยคือตัตรรมัดชัตตุเบกขาโดยรู้สึกว่าลืมสติไปเมื่อกำหนดได้สะดวกไม่ต้องจดจ่อมากนะักเมื่อมีสติกลับมากำหนดอีกก็สามารถกำหนดรู้ได้ดีเหมือนเดิมทินมิทะ ความหดหูเสื่องซึมโดยรู้สึกว่ามีกำหนดได้สะดวกอารมณ์ปัจจุบันค่อยๆจางหายไปแล้วหลับไปชั่วขณะเมื่อมีสติกลับมากำหนดอีกก็สามารถกำหนดรู้ได้ดีเหมือนเดิมลักษณะนี้เกิดจากวิริยะที่จดจอ่อมีกำลังน้อยกว่าสมาธิส่งผลให้ถินมิทธะเกิดขึ้นครอบงำจิตได้4 ปัสสธิปัสสธิคือความสงบกายและใจที่ปราศจากความสัว์สายฟุ้งซ่านเพราะความจดจ่อเกินไปเหมือนการออกจากที่ร้อนระอุไปสู่ที่เย็นสบายในขณะที่ปัสสธิปรากฏนี้มีสภาวะธรรมบางอย่างเกิดร่วมกันคือละหุตาความเบาของกายและใจ โดยผู้ปฏิบัติธรรมมักรู้สึกว่าร่างกายเบาสบายในเวลาเดินเท้ามีสภาวะเบาเหมือนหายไปแม้ในเวลานั่งนอนเหยียดคู้ร่างกายมือเท้าก็เบาเหมือนหายไปบางท่านอาจรู้สึกว่าเคลื่อนเท้าไปถึงเร็วและอาจเกิดจิตที่ต้องการจะวิ่งเร็วๆแต่ไม่ควรทําเช่นนั้นเพราะอาจทําให้สติขาดช่วงไม่ต่อเนื่องมุทุตา ความอ่อนของร่างกายและใจโดยปราศ จ, จากความกระด้างสามารถตั้งจิตไว้ในอารมณ์ที่ต้องการกำหนดรู้ได้ชัดเจนและต้องการจะปฏิบัติธรรมด้วยความสงบไม่อยากพบกับบุคคลหรืออารมณ์ห ย, ยาบหยาบกามัญญาตาความเหมาะสมในกิริยาของกายและใจโดยสามารถปฏิบัติธรรมได้นาน หนึ่งหรือสองชั่วโมงด้วยการนั่งบรลังเดียวไม่ขยับและปราศจากความเจ็บปวดในร่างกายอีกทั้งไม่มีความฟุ้งซ่านหรือการขาดสติกาหนดรู้ปัุณยตาความคล่องแคล่วของกายและใจโดยร่างกายเป็นปกติไม่ขาดกำลังวังชาแม้จะปฏิบัติธรรมเป็นเวลานานและจิตก็กาหนดรู้ได้คล่องแคล่ว เหมือนสาธยายบทสวดมนต์ที่ต้องจำได้ดีอุชุตาความเที่ยงตรงของกายและใจโดยปราศจากความสนใจสิ่งที่ไม่ดีความต้องการจะปกปิดโทษหรือมายาสาทถยที่แท่งธทรรมเป็นคนดีมีคุณธรรมบุคคลพูดถึงพร้อมด้วยปสัสธิเป็นต้นทั้งหกอย่างนี้ มักพบว่าในขณะยืนเดินนั่งนอนเหยียดคู้หรือเจริญสติระลึกรู้เท่าทันปัจจุบันย่อมสามารถกำหนดอารมณ์ได้ดีอย่างชัดเจนมีความสบายกายและใจและเพลิดเพลินในการปฏิบัติธรรมยิ่งนักกายปัสติเป็นต้นมิได้หมายถึงความสงบของกองเจตสิกมีเวทนาขันเป็นต้นอย่างเดียว แต่ยังหมายถึงความสงบของกายอีกด้วยดังคำพีมหาดีกาของวิสุทธิมาร์กล่าวว่าหนึ่งในเรื่องนั้นพึงทราบการถือเอารูปกายด้วยกายสับอีกด้วยมิได้ถือเอาขันสมมีเวทนาขันเป็นต้นสองเพราะกายปัจสทธิเป็นต้นขจัดความเร่าร้อนเป็นต้นของรูปกายอีกด้วย 5. สุขสุขคือความสุขใจที่ประกอบด้วยวิปัสนาและความสุขกายที่เกิดขึ้นเพราะสุขใจในขณะที่ความสุขนี้ปรากฏโรคที่เคยเกิดขึ้นอาจหายไปได้นอกจากนั้นในบางขณะอาจนึกคิดพิจารณาและรู้สึกเป็นสุขอย่างยิ่งจนกระทั่งอยากจะบรรยายให้ผู้อื่นฟัง ผู้ที่ถึงพร้อมด้วยสุข ป, ปีติและปัสสติเป็นต้นนี้ย่อมได้รับความรื่นรมใจที่ยอดเยี่ยมกว่าความรื่นรมของมนุษย์และเทวดาทั่วไปดังพระพุทธดำรัสว่าภิกษุไปสู่ที่สงัดมีใจสงบยังเห็นพระธรรมโดยชอบย่อมบังเกิดความยินดีที่มิใช่ของมนุษย์ทั่วไปเมื่อเธออย่างเห็นความเกิดขึ้นและดับไปแห่งขันแล้ว ย่อมได้ความปีติประโมทซึ่งเป็นสิ่งอมตะสำหรับท่านผู้รู้ทั้งหลาย 6. อธิโมกคือความเชื่อมั่นเลื่อมสายที่ประกอบด้วยวิปัสนาจิตที่เจริญสติระลึกรู้ปัจจุบันย่อมผ่องใสไม่เศร้าหมองด้วยกำลังของอธิโมกแม้ผู้ปฏิบัติธรรมจะหยุดภักการเจริญสติเพียงชั่วขณะก็ยังมีจิตผ่องใสเช่นเดียวกัน ความเชื่อมั่นเลื่อมสายพระรัตนตรยัยกรรมและผลกรรมมักปรากฏชัดเจนอย่างมีกําลังด้วยอำนาจของแสงสว่างยานและอธิมโมกนี้ส่งผลให้ผู้ที่เจริญสติปัฏฐานดํมริจะปฏิบัติธรรมต่อไปและดํมริในการชักชวนบุคคลอื่นอีกด้วยอีกทั้งเกิดความเลื่อมสายผู้ปฏิบัติธรรมและพระวิปัสสนาจารย์ เปักขหะปักขหะคือความเพียรที่ประกอบด้วยวิปัสนาเป็นความเพียรที่สม่ำเสมอไม่ตึงหย่อนเกินไปความเพียรดังกล่าวทําให้ผู้ปฏิบัติจเจริญสติระลึกรู้อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอโดยไม่ต้องจดจ่อมากนะัก 8. อุปทานะอุปทานะคือสติที่ประกอบด้วยวิปัสนา เป็นสติที่ปรากฏชัดเหมือนรูปนามในปัจจุบันขณะเข้ามาหาจิตหรือจิตที่กําหนดเข้าไปหารูปนามสติที่ทำให้อารมณ์ปรากฏชัดเจนนี้ทำให้สภาวะรูปนามที่แม้จะละเอียดก็เป็นสิ่งที่ประจักษ์ชัดเจนแก่ผู้ปฏิบัติธรรมเมื่อสติที่เกิดก่อนดับไปแล้วสภาวะปัจจุบันก็ปรากฏทันทีอย่างเหมาะสม บางท่านอาจคิดถึงเรื่องที่ผ่านมาแล้วเหมือนย้อนเวลาไปพบกับเรื่องนั้นอย่างชัดเจนแต่ไม่ควรคิดพิจารณาผู้ปฏิบัติธรรมบางท่านอาจรู้สึกย้อนเวลาไปในอดีตได้ชัดเจนเหมือนกำลังเกิดขึ้นในปัจจุบันเช่นในขณะที่ตนมีอายุสองหรือสามขวบอาจรู้สึกว่าตน อยู่ในอ้อมกอดของแม่ที่ร้องเพลงกล่อมได้กลิ่นของผ้าอ้ อ, อมและกลิ่นของน้ําหอมของแม่ดังนี้เป็นต้น 9. อุเบกขาอุเบกขาคือวิปัสสนานุเปกขาที่กล่าวมาแล้วพร้อมทั้งอวัชนุเปกขาที่เกิดขึ้นก่อนหมายความว่าเมื่อจิตดวงใดดวงหนึ่งอันเป็นสภาวะเห็นได้ยินหรือกําหนดรู้ จะปรากฏอวชนะจิตคือจิตที่พิจารณาใกล้ครวนอารมณ์ย่อมเกิดขึ้นก่อนดวงจิตอื่นถ้าจิตดังกล่าวพิจารณาดีจิตดวงหลังก็จะดําเนินไปดีถ้าจิตนั้นพิจารณาไม่ดีจิตดวงหลังก็จะดําเนินไปไม่ดีในเบื้องแรกผู้ปฏิบัติทําได้ตั้งใจไว้ก่อนว่าจะกําหนดรู้รูปนามที่เกิดดับอย่างรวดเร็ว อีกทั้งได้รู้เห็นสภาวะนั้นมาแล้วหลายครั้งทําให้อวัชนะจิตที่พิจารณาความเกิดดับของรูปนามปรากฏขึ้นลําดับนั้นวิปั ส, สนาชวนาจิตที่รู้เห็นความเกิดดับของรูปนามอย่างชัดเจนย่อมเกิดขึ้นต่อมาอย่างไรก็ตามในเบื้องต้นของการปฏิบัติเมื่อปัญญายังไม่แก่กล้า บุคคลผู้ปรารบความเพียรต้องตั้งใจพิจารณาให้ทันปัจจุบันเหมือนกับจงใจแสวงหาในบางขณะอาจคินฟุ้งซ่านไปถึงอดีตหรืออนาคตได้บ้างเป็นครั้งกราวไปส่งผลให้จิตไม่อาจพิจารณาเท่าทันปัจจุบันได้อย่างชัดเจนด้วยอวัชนะจิตต่อเมื่ออุทพยายานมีกำลังแล้ว เขาก็จะสามารถพิจารณาความเกิดดับของรูปนามได้ชัดเจนต่อจากการกําหนดรู้ด้วยจิตดวงก่อนอวชนะจิตของผู้ปฏิบัติก็เหมือนแล่นเข้าไปหาสภาวะรูปนามอวชนะจิตที่พิจารณาอย่างนี้ชื่อว่าอาวชญุเปกขาส่วนวิปัสสนาญาณที่รู้เห็นความเกิดดับของรูปนามโดยประจักษ์ไม่ต้องจดจอมากนะัก ชื่อว่าวิปัสสนุเปเกขาอุเบคาทั้งสองอย่างที่พิจารณารู้เห็นความเกิดดับของรูปนามโดยสม่ำเสมอเช่นนี้เป็นวิปัสสนุปกิเลสในคำปีมหาดีกาของวิสุธทธิมักกรกล่าวว่าเป็นตัดระมัดชตต า, ตาคือความไม่สม่ำเสมอของจิตและเจตสิกในกรรมที่ดีงามนั้นๆ โดยต้องการจะแยกองค์ธรรมของอุเบกขาให้ต่างจากยานส่วนในอัตถกถาของปฏิสัมพิามัคกล่กาวถึงมัติข้างต้นว่าเป็นเพียงความเห็นของอาจารย์และเสนอมัติของผู้แต่งเองว่าคือสมาธิอย่างไรก็ตามในคำพีปฏิสัมพิามัคันธิบทกล่าวว่าแม้วิปัสสนุเปกขา จะเป็นยานตามที่อธิบายไว้ในวิสุทธิมรรคก็จะมีลักษณะต่างจากยานเพราะมีหน้าที่สม่ำเสมอในการพิจารณาสังขารจึงไม่ขัดแย้งกับยานข้าพเจ้าเห็นด้วยกับมติในคำมพีร์ข้างต้นนี้จึงแสดงว่าเป็นยานเช่นเดียวกันสิบนิการตินิการ ต, ติคือความพอดี พอใจในวิปัสนาที่เกิดขึ้นเมื่อพบเห็นแสงสว่างเป็นต้นความยินดีพอใจดังกล่าวเป็นสภาพละเอียดอ่อนจึงทำให้สำคัญผิดว่าเป็นความรื่นรมภาวนาไม่ใช่กิเลสผู้ปฏิบัติวิปัสนาภาวนาอาจเข้าใจผิดว่าสภาวะดังกล่าวเป็นคุณธรรมพิเศษหรือเกิดจากการบรรลุคุณธรรมพิเศษ ความยินดีพอใจนี้เป็นวิปัสนูปกิเลสอย่างแท้จริงดังนั้นวิปัสนาจึงเสื่อมไปด้วยความยินดีพอใจถ้าผู้ปฏิบัติธรรมยึดมั่นความยินดีพอใจด้วยตัณหามานะและทิฏฐิก็จะทำให้วิปัสนาเสื่อมเร็วขึ้นวิปัสนูปกิเลสที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ก้าวอย่างแรกยกเว้นกันติ อาจปรากฏพร้อมกันได้ในแต่ละครั้งส่วนนิการติจะมาปรากฏได้ครั้งละอย่างเป็นครั้งครั้งไปเช่นเป็นความพอใจยินดีในแสงสว่างเป็นต้นลำดับของวิปัสสนุปกิเลส ท, ที่แสดงไว้นี้จึงเป็นไปโดยลำดับเทศนาไม่ใช่ลำดับการเกิดขึ้นของสภาวะธรรมดังข้อความที่กล่าวว่า 1. โดยแท้จริงแล้ววิปัสณูปกิเลสทั้ง9้าอย่างย่อมเกิดขึ้นแม้ในขณะเดียวกัน 2. แต่การพิจารณาย่อมมีได้ทีละอย่างเอปิสับในนวาปิทำหน้าที่รวบรวมการเกิดขึ้นของวิปัสณูปกิเลสทีละอย่างตั้งแต่8อย่างเป็นต้นไปอปิสับในเอกก คเนปิ <K han ep i> ทำหน้าที่รวบรวมการเกิดขึ้นของวิปัสสนูปกิเลสในขณะต่างๆกันผู้ที่เข้าใจผิดว่าแสงสว่างยานและปีติเป็นต้นไม่เคยพบมาก่อนนั้นเป็นคุณธรรมพิเศษหรือเกิดจากการบรรลุคุณธรรมพิเศษย่อมเสื่อมไปจากทางวิปัสสนาคือการเจริญสติระลึกรู้สภาวะธรรม เขาจะไม่เพียนปฏิบัติเพื่อบรรลุวิปัสนาญาณขั้นสูงต่อไปหรืออาจพอใจยึดติดแสงสว่างเป็นต้นโดยไม่ได้กำหนดรู้เท่าทันปัจจุบันในขณะนั้นเขาเกิดความยึดถือที่จำแนกได้สามประการคือ 1. ตัณหาความยินดีพอใจแสงสว่างเป็นต้น 2. มานะ ความถือตัวถือตนว่าดีกว่าคนอื่นสามทิฏฐิความเห็นผิดว่าแสงสว่างเป็นเราหรือของเราเมื่อรวบรวมวิปัสสโนปกิเลส10อย่างกับความยึดมั่นทั้งสที่มีในแต่ละอย่างก็จะมีความยึดถือ30อย่างแต่ถ้านับความยึดถือในวิปัสสโนปกิเลสเหล่านั้นแบบโดยรวมว่าเป็นความยึดถือเดียวโดยไม่จำแนก ก็มีวิปัสสนุปกิเลสเพียงสิบอย่างดังคำพีวิสุทธิมาร์กล่าวว่า 1. อันหนึ่งในอุปกิเลสสิบเหล่านี้แสงสว่างเป็นต้นกล่าวว่าเป็นอุปกิเลสเพราะเป็นที่ตั้งของอุปกิเลสมิใช่เพราะเป็นอกุศลสส่วนนิการติเป็นอุปกิเลส ท, ที่ตั้งของอุปกิเลส 3. ก็อุปกิเลสสิบเหล่านี้ มีได้โดยทางวัตถุ 4. แต่โดยทางความยึดถือมี30ท่วนข้อความข้างต้นหมายความว่าวิปัสโนปกิเลส9ก้าอย่างแรกมีแสงสว่างเป็นต้นอันเป็นที่ตั้งของอุปกิเลสนี้จะเป็นอุปกิเลสได้ก็ต่อเมื่อ ย, ยึดถือตัวตันหามานะและทิตติ ถ้าไม่ยึดถือด้วยอกุศลดังกล่าวก็ไม่จัดเป็นอุปกิเลสดังนั้นโพชฌงมีสติเป็นต้นที่ปรากฏชัดในระดับพังคยานเป็นต้นไปจนถึงสังขารูเปกขายานพร้อมทั้งสุขและอธิโมกเป็นต้นที่เกิดร่วมกับโพชฌงจึงไม่เรียกว่าอุปกิเลสเพราะไม่ได้ทำให้วิปัสสนาหม่นหมอง นอกจากนั้นแสงสว่างที่ปรากฏแก่พระอริยบุคคลในเวลาเริ่มปฏิบัติที่เกิดในอุทพยะยานก็ไม่ใช่อุปกิเลสผู้ที่ได้รับคำชี้แนะจากพระวิปัสสนาอาจารย์อย่างถูกต้องย่อมเข้าใจว่าแสงสว่างยานและปีติเป็นต้นนี้เป็นอุปสรรคที่ทำให้วิปัสสนาหม่นมองไม่ใช่คุณธรรมพิเศษ หรือเกิดจากการบรรลุคุณธรรมพิเศษการพิจารณาสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่วิปัสนามักที่ถูกต้องที่จริงแล้วสิ่งเหล่านี้ตกอยู่ในอำนาจของไตรลักษณ์คือไม่เที่ยงเพราะเริ่มเกิดขึ้นเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนการกำหนดรู้เท่าทันรูปนามปัจจุบันเท่านั้นจึงเป็นทางปฏิบัติที่ถูกต้องอันเป็นเหตุให้บรรลุ ค, คุณธรรมพิเศษ เมื่อเข้าใจดังนี้ก็จะหยุดใส่ใจต่อแสงสว่างเป็นต้นแล้วเจริญสติระลึกรู้สภาวธรรมต่อไปเมื่อนั้นความเกิดของรูปนามปรากฏชัดเจนแก่ผู้ปฏิบัติอีกทั้งความไม่เที่ยงคือสภาพเกิดขึ้นและดับไปความทุกข์คือความบีบคั้นด้วยความเกิดดับและความไม่ใช่ตัวตนที่ไม่เป็นไปตามต้องการ ย่อมปรากฏชัดเจนลำดับนั้นการรู้เห็นความเกิดดับอย่างรวดเร็วทุกๆกขณะที่กำหนดรู้นี้จึงเป็นอุทัพพยัยานที่พ้นไปจากวิปัสสนูปกิเลสมักขามัคคยานทัศนวิสุทธิปัญญาที่เข้าใจแสงสว่างเป็นต้นไม่ใช่ทางปฏิบัติที่ถูกต้องการใส่ใจสิ่งเหล่านั้นก็ไม่ใช่ทางปฏิบัติที่ถูกต้อง แก่การกำหนดรู้รูปนามตามความเป็นจริงโดยไม่ใส่ใจสิ่งเหล่านั้นจึงเป็นทางปฏิบัติที่ถูกต้องชื่อว่ามรคามรคยานทัศนวิสุทธิอันหนึ่งอุทพ ย, ายาัญาณระดับอ่อนนับเข้าในมรคามกคยานทัศนวิสุทธิส่วนอุทพยญาณระดับแก่กล้านับเข้าในปฏิปทายานทัศนวิสุทธิ ซึ่งจะได้กล่าวถึงต่อไป